ที่ประเทศอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีคนนับถือพุทธศาสนามากแล้วก็เขาไม่ได้สนใจแค่พิธีกรรมนะสนใจเรื่องสมาธิภาวนาด้วยนั่นก็จึงมีสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยกระจายอยู่ทั่วอเมริกาส่วนใหญ่ก็คารวา ด, ดูแลนะเพราะเขาไม่ค่อยมีพระสถานปฏิบัติธรรมที่ไม่ใช่เป็นวัดนะส่วนใหญ่สมาคมนี้ก็ก็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 ความขัดแย้งยี่นี้เกิดขึ้นนะไปทั่วแล้วคนก็ไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขแม้แต่ความขัดแย้งในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกหรือระหว่างสามีภรรยาบางทีมันก็กลายเป็นความรุนแรงนะด่าทอต่อว่าทาลายข้าวของอันนี้ไม่ต้องพูดถึงความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านหรือในที่ทำงานเ้าก็เลยนะเชิญวิทยากรมาให้การอบรมนะเกี่ยวกับ ทักษะการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่สอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านี่ก็พระองค์ก็สอนนะว่าเนี่ยไม่ให้ใช้ความรุนแรงให้ใช้ความเดียวชนะความชั่วความโกรธชนะความไม่โกรธอันนี้แหละคือพื้นฐานสันติวิธีวิทยากรที่มานี่ก็ก็ไม่ใช่ชาวพุทธนะ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 บทบาทสมมติเนี่ยสถานการณ์ก็คือว่ามีผู้กอ่อการร้ายนะจับตัวประกันมาสองคนนะวิทยากรก็สมมติตัวเขาเป็นผู้กอ่อการร้ายนะแล้วก็มีผู้อบรมสองคนนะนะมาสวมบทบาทเป็นตัวประกันนะถูกขังอยู่ในมุมห้องส่วนคนที่เหลือก็ให้มาช่วยกันเจรจากับผู้กอ่อการร้ายนะ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 มันคือคลายกันนะ่ะหรือมันยิ่งกว่านั้นซิอีกผก่อกาลบอกว่ากฎระเบียบแรขงคุณผมไม่สนใจนะผมไม่รู้เรื่องแะร้งสิ้นเนี่ยว่าแต่ว่าคุณเนี่ยพวกคุณเนี่ยจะมาเจราจาเรื่องไม่สูบบุหรี่หรือว่าจะเจราจาเรื่องการไปตัวเพื่องคุณไปที่เหลือก็ไม่ยอม้วก็ลบเลาะให้ได้วันเนี่ยสูบบุหรี่ไม่ได้ในห้องนี้นะเราเป็นห้องสวดมนห้องทําสมาธิพว้ก่อกาลบอกก็ได้ก็ได้นะ ผมไม่สูบบุหรีก็ได้ว่าแล้วก็เดินไปที่พระพุทธรูปแล้วก็บีบบุหรีนะตรงพระเพลาหรือตักของพระพุทธรูปโกโกรกันใหญ่เลยคราวนี้นะโกโรกันใหญ่เลยว่ามีคนตะโกงขึ้นมาว่าคุณทำอะไรเนี่ยนี่มันพระพุทธรูปนะผู้ก่อการละก็บอกว่าผมไม่สนใจพระพุทธรูปของคุณผมไม่ได้นับถืออยู่แล้วนะผมไม่สนใจเนี่ยตกลงเนี่ยนะคุณยังจะ เจรจาเรื่องปล่อยตัวประกันอีกหรือเปล่านะถ้าคุณไม่สนใจเจรจาปล่อยตัวเพื่อนคุณผมก็จะกลับแล้วอีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมน ะ, ะคนที่เหลือก็ไม่ยอมนะก็โวยวายว่าเนี่ยทําที่มันมถูกที่ไหนมีคนนึงเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเราก็รู้นะคุณไม่ใช่พุทธนะแต่คุณก็ควรจะขอรบสถานที่เนี่ยเราเชิญคุณมาเพื่อมาอบรมสันติวิธี คุณควรจะเคารพสถานที่ของเราพระพุทธรูปของเรานะพอพูดอย่างนี้เข้านะวิทยาผู้ก่อการร้ายเนี่ยก็พูดว่าคุณอยากให้ผมเคารพสถานที่เหรอเนี่ยอยากจะรู้ไหมผมเคารพสถานที่ยังไงว่าแล้วก็เดินไปที่ใกล้ๆนะที่พระพุทธรูปนะแล้วก็ฉี่ตรงมุมห้องนะ่ะคราวนี้ทุกคนนี่ตะลึงเลยนะตกใจโมโหทุกคนนี่ต่างกลัวกันนะไปที่ตัว วิทยากรที่สมมติเป็นผู้ก่อการล่ายนะแล้วก็เตะต่อยนะบางคนก็ถีบนะเป็นพลวัลชุลมุนเลยผู้ก่อการลายนีนะ่สุดท้ายก็รอดเอาตัวลอดออกมาได้แล้วก็หนีไปเลยก่อนจะหนีก็บอกว่าเนี่ยให้ตัวประกรันเป็นอิสระแล้วนะเรื่องก็จบเท่านี้นะคราวนี้มันน่าคิดนะว่าทําไมการอบรมสันติวิธีเนี่ย มันจึงลงเอยด้วยการใช้ความรุนแรงนะคนที่มาอบรมเนี่ยก็อยากจะเรียนรู้เรื่องสันติวิธีถึงก็ไปเชิญวิทยากรมานะแต่ทาไมเนี่ยถึงลงเอยด้วยการเตะถีต่อยวิทยากรนะทั้งที่หลายคนเนี่ยก็เป็นพวกที่พวกรักสันติบางคนก็กินมังสวิรัตมาหลายปีนะยุงก็ไม่ตบนะแต่ทาไมถึงไปเตะไปถีบนะคนอื่นเท่านะ เกิดอะไรขึ้นนะทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงข้ามกับความกับนิสัยใจคอหรือว่าตรงข้ามกับสิ่งที่เรามุ่งมา่ปรารถนาอยากจะเรียนรู้เรื่องสันติวิธีนะแต่ว่ากลายเป็นลงเอยด้วยการใช้ความรุนแรงถามว่าตัวประกันได้อิสระไม้มก็ได้นะแต่ว่าถ้าถ้าให้คะแน น, นก็เรียกว่าทั้งชัน้นตกนะเพราะว่าไม่ได้ใช้สันติวิธี ทำไมมนงเป็นเช่นนั้นนะก็เพราะว่าเนี่ยความลืมตัวเมื่อเห็นสิ่งที่ตัวเองคารพเนี่ยเช่นพระพุทธรูปเนี่ ย, รรยหรือสถานที่เนี่ยถูกจ้วงจาบเนี่ยนะเนื่องจากมีความยึดติดถือมั่นนะในสถานที่มากมีความยึดติดในพระพุทธรูปมากว่าเป็นสิ่งที่ต้องควรเคารพนะพอสิ่งที่ตัวเองนับถือ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 ความยึดติดถือมั่นยึดติดถือมั่นในพระพุทธรูปยึดติดถือมั่นในความถูกต้องนะมันก็น่าคิดนะว่าเมื่อเจอความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อยากทําให้มันถูกต้องเมื่อเขาสูบบุหรี่เมื่อเข า, าไม่เคารพพระพุทธรูปเมื่อเข า, าฉี่ในห้องสวดมนต์เนี่ยอันนี้คือความไม่ถูกต้อง แต่ที่จริงมันเป็นความไม่ถูกต้องที่เขาแกล้งทานะวิเยวการเขาแกล้งทาเขาแกล้งทำเพื่ออะไรเพื่อเขาแย่แย่ว่านะเราจะคุมอารมณ์ได้ไหมเพราะสันติวิธีเนี่ยมันต้องใช้มันต้องมีการควบคุมอารมณ์ด้วยแต่คนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นนักปฏิบัตินะทำสมาธิภาวนา ม, มาเยอะนะแต่พอเจอการยั่วยุแบบนี้เนี่ยสติแตกเลย อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ฝึกสติมาเพียงพอนะอาจจะฝึกแต่สมาธินะพอเจอสิ่งโยัวยเขา้านะสติเอาไม่อยู่เห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับสิ่งที่ตวเงเคารพนะอยากจะทำให้มันถูกต้องแต่สุดท้ายกลายเป็นทำความไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความไม่ถูกต้องที่มันรุนแรงกว่าที่มันแย่กว่าอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะอีกฝ่ายนึ่งก็แค่นะ แค่ทําสิ่งไม่ถูกต้องกับวัตถุนะแต่ว่าชาวพุทธในกลุ่มนี้นี่อยากจะรักษาความถูกต้องแต่สุดท้ายกลายเป็นทําความไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นนี่เป็นโทษของความยึดติดถือมั่นนะแม้แต่ยึดแม้แต่การยึดติดถือมั่นในความถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดโทษได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่ายาคาเนี่ยถ้าจับไม่ดีก็บาดมือ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 อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นบทเรียนนะที่มันเตือนใจเราในเมื่อและสิ่งนี้มันไม่ใช่แค่เหตุการณ์สมมุตินะในโลกแห่งความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มันก็จะมีะมีเหตุการณ์ทำนองเนี่ยว่าสิ่งที่เรานับถือสิ่งที่เราผูกพันสิ่งที่เราเคารพเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เห็นเหมือนกับเรานะแล้วก็บางทีเขาก็ทำ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 ฉันก็ต้องนะทำไม่ถูกกับแกบ้างนะเช่นอาชนแล้วหนีนะจับมาได้มาชนรถชั้นนะมาชนท้ายรถชั้นเนี่ยรถราคาแพงด้วยมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็หนีไปแต่ว่าเจ้าตัวคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็อก็รู้ผิดนะก็กลับมากลับมาเพื่อขอโทษขอโพยเจ้าของรถนี่ไม่พอใจมากนะรถ เป็นรถกันโปรดด้วยนะใจจะสลายเลยนะเห็นรถนี่มีรอยขูดรอยรอยบุบก็ไปลากคอคนขับมอเตอร์ไซค์มามาตบมาต่อยแล้วก็พูดว่าเนี่ยทาไมถึงหนีทําไมถึงหนีคือต้องการสั่งสอนนะว่าชนแล้วอย่าหนีแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยนะมันแย่กว่าชนแล้วหนีนะเพราะว่าชนแล้วหนีนี่มันก็แค่ทำลาย ทำให้ลดบุญนะแต่ว่าไปต่อยกขานี่มันผิดกฎหมายยิ่งกว่าการทําให้ทรัพย์สินเสียหายในเมื่อเขาทําไม่ถูกนะเราก็อย่าพลอยทําไม่ถูกซ้ําเติมเข้าไปใหญ่อนี้ต้องระวังนะเมื่อความยึดมั่นในความไม่ความยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยเช่นชนแล้วยันหนีเนี่ยนะอันนี้คือความถูกต้องเป็นมารยาของสังคมในเมื่อเราเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งดีที่ควรจะเคารพ ดีแต่ถ้าไปยึดมั่นมากๆเนี่ยระวังนะว่าเราเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ทําความไม่ถูกต้องคนที่สองแล้วก็ทําหนักกันเดิมบางทีเราเห็นลูกนะลูกทําไม่ดีนะเราเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่ทธรรมะธรมโมอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีมีศีลแต่บางทีลูกก็ไม่เอาฐานอาจจะไม่ถึงกับสำไ ม, มลเลยเธอมานะแต่ว่าอไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ชอบเถียง พ่อแม่นะหรือว่าอาจจะกลับบ้านดึก ง, งานการหรือการ บ, บ้านก็ไม่ค่อยทํานะพ่อก็ว่าลูกก็เถียงนะพ่อยิ่งโกรธใหญ่นะว่าเนี่ยคนดีเด็กดีก็ไม่เถียงพ่อก็เลยใช้ความรุนแรงนะตบบางทีตบตบหน้าลูกหรือว่าตีลูกนะหรือถึงไม่ตีไม่ตบแต่ด่าแรงๆเนี่ยนะมันก็ กลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วลูกทำไม่ดีนะก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีสิทธิ์นะทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือทำในสิ่งที่แยก่กว่าแต่นี้มันก็เป็นพ่อความยึดมั่นถือมั่นนะยึดติดในความดีพอยึดติดในความดีแล้วอยากจะให้ลูกเนี่ยดีเหมือนตัวหรืออยากจะให้ลูกเนี่ยดีอย่างที่ตัวเองคิดพอลูกไม่ดีเนี่ยก็โกรธนะใช้ความรุนแรงด้วยวาจาบ้างนะด้วย การกระทำมังมีพ่อคนนึงนะเสียใจนะลูกเนี่ยไปชกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนครูใหญ่ก็มาแจ้งเพราะการต่อยในโรงเรียนเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เป็นความผิดที่ร้ายแรงมากนะปู่ใหญ่ก็มาแจ้งผู้ปกครองพอลูกกลับมาถึงบ้านเนี่ยนะพ่อก็ว่าลู ก, กทำไมถึงไปไปต่อยเขาลูกก็บอกว่าเป็นพ่อเพื่อนเนี่ยนะมาดูถูกเหย็ดหยามมาแกล้ง พ่อก็บอกว่าเขาแกล้งเราก็ไม่ควรจะใช้ความรุนแรงก็พูดกันดีดๆนะใช้สันติวิธีนะเขาทำไม่ถูกนะเราก็อย่าไปทําผิดซ้ำ ส, สองลูกก็เถียมบอกว่าจะยอมให้เขาทํายอมให้เขาแกล้งเราได้ยังไงนะเขาก็จะหาว่าเราเป็นคนอ่อนแอนะพอเราถ้าเราปล่อยให้เขาทำเขาก็จะหาว่าเราหน้าตัวเมียพขาบอกเขาว่าเราก็ช่างสิแต่เรา ต้องหนักแน่นอดทนลูกก็ไม่พอใจเพราะเนี่ยมันทํางี้มันยามขี้หน้ากันพ่อก็บอกว่ายังไงก็ต้องทนแล้วเขาด่าว่าเราเป็นลูกเป็นคนหน้าตัวเมียก็ต้องยอมลูกก็เลยโมโหว่าเนี่ยก็พ่ อ, พอทําอย่างนี้นะพ่อเนี่ยก็เป็นคนขี้ขลามเหมือนกันใครๆก็ว่าพ่อหน้าตัวเมียเหมือนกันพ่อโกรธมากนะตบลูกเลยพ่อสอนให้ลูกใช้จนติวิธีนะ แก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนะใครว่าเราอย่าอย่าไปโกรธนะแต่พอลูกไม่สันติวิธีนะพ่อโมโหนะะตบลูกเลยเนี่ยนี่พราะอะไรพ่อยึดมั่นในสันติวิธีพ่อยึดมั่นในสันติวิธีมากพอลูกไม่ยึดมั่นเหมือนพ่อนี่พ่อโกรธนะแถมเถียงพ่ออีกพ่อตบเลยยึดมั่นอะไรก็ตามนี่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมากนี่มันจะกลายเป็นทําตรงข้ามนะ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 พระพุทุรูปเราก็นับถือว่าเนี่ยพระพุทธรูปของกูพระพุทธรูปของกูนะพอมีคนมาทําไม่ดีกับพระพุทุรูปเนี่ยก็จะรู้สึกว่ากูเนี่ยถูกคุกคามกูเนี่ยถูกท้าทายมันมีตัวกูเข้ามาแทรกซึ่งทําให้เกิดความลืมตัวทําให้เกิดความโกรธสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อปกป้องพระพุทธรูปนะแต่ปกป้องตัวกูหรือว่าแก้แค้นนะที่ตัวกูเนี่ยมันถูกดูถูกดูหมิ่นเหยียดยาม อันนี้เป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากนะที่เราต้องหันมาใครโครนนะทุกครั้งที่มีความยึดติถือมั่นเนี่ยมันจะมีตัวกูของกูเนี่เข้ามาแทรกแล้วก็เข้ามาบงการเดีย๋ยวว่าแต่สิ่งที่เรานับถือนะถูกคุกคามหรือถูกจ้วงจาบเลยเวลาเรานับถืออะไรนะหรือนับถือใครก็ตามถ้าคนคนนั้นพูดไม่ถูกใจเราเราก็โกรธนะ เราไม่ใช่โกรธเฉพาะคนที่ทําไม่ดีกับสิ่งที่เรานับถือหรือกับคนที่เรานับถือแม้แต่คนที่เรานับถือเองเนี่ยเขาทําให้ถูกใจเราเราก็โกรธนะอย่างในสายพุทธกาลเนี่ยนะมีมีคราวหนึ่งนะพัสสัยลิบุตรเนี่ยกางจะจ่าลิกไปที่ไกลพระในวัดเชตวันเนี่ยก็มาเข้าแถวนะคอยส่งนะอันนี้เป็นธรรมเนียมเข้าแถวคอยส่ง พระไซรุบุตทนะ่านเป็นกุศุภาพนะเวลาเดินเมื่อก่อนที่จะเดินออกนี่ก็ทักทายทักทายพระที่มายืนรอส่งท่านถามชื่อถามโคดนะถามวงตระกูลก็ถามเนี่ยกับทุกคนนะแต่มีคนนึ่งนะเขาเคารพพระไซรุบุตมากเลยแต่ว่าพระไซรุบุตรเดินผ่านไม่ทักเขาไม่ถามเขาเขาโกรธนะเขาโกรธมากเลยพระเอิญเนี่ย ชายจีวรพระไตรลุดุลเนี่ยไปถูกตัวเขาเขาเลยหาเหตุน่ะใส่ร้ายพระไตรลุธุลว่าเนี่ยทําร้ายเขาไปฟ้องผู้จ่าเนี่ยพระไตรลุดุลทำร้ายอาฆาพระองค์ก็เลยต้องมีการไต่สวนกันสุดท้ายเนี่ยก็พระไตรลุธุลก็ก็บริสุทธิ์นะแต่ประเด็นก็คือว่าเนี่ยทําไมคนที่นับศรัทธาพระไตรลุดุลเนี่ยจึงลงเอ่ยด้วยการใส่ร้ายพระไตรลุดุล ศรัทธาเนี่ยก็มันน่าจะเป็นเมื่อศรัทธาใครก็น่าจะยอมใครทาอะไรก็ยอมใครทําอะไรกับเราก็ยอมใครก็จะว่ า, าครูบาอาจารย์จะว่าเร า, เราก็ยอมยอันนี้เรียกว่าศรัทธาแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอศรัทธาแล้วเนี่ยนะศรัทธาใครก็ตามเนี่ยยิ่งศรัทธามากๆก็อยากจะให้เขาเนี่ยให้ความสําคัญกับเรา ถ้าไม่ศรัทธาพระไตรปุฎนะพระสรุปุเดินผ่านภาพรุ่นนั้นก็คงจะเฉยๆแต่พราะศรัท ธ, ธามากก็อยากให้พระไตรบุฎให้ความสำคัญกับเราไอ้ตัวที่อยากให้ความสำคัญกับเราคืออะไรคือตัวกูนะมันนะอยากจะให้พระไตรบุฎให้ความสำคัญกับตัวกูแต่พอพระไตรบุฎเดินผ่านไอ้ตัวกูก็โกรธนะโกรธหาทางแก้แค้น คนเราเป็นอย่างนี้เยอะนะศรัท ธ, ธาใครก็ตามเนี่ยพอครูบาอาจารย์เนี่ยพูดไม่ถูกใจเราเช่นอาจจะตำหนิอาจจะทักท้วงโกรธเลยจากความรักความเทิดทูนกลายเป็นความคิดแค้นเทวทัตก็เป็นเหมือนกันนะเทวทัตเนี่ยนะอยากได้รับความยอมรับจากผู้เจ้าที่แล้วก็า จ, จะศรัท ธ, ธานะถึงออกบวชเนี่ยแต่สุดท้ายก็กลายเป็นสัตว์ตผู้หมายปอง พระพุทธเจ้าพระรูปหนึง น, นะชื่อพระสุภัฏฐะนะก็สัตยท้าพุทธเจ้านะเมื่อทราบพุทธเจ้าจะเสด็จมาในเมืองของตัวเองเนี่ยก็กระตือรือร้นนะนะบอกญาติพี่น้องบอกเพื่อนให้มาเตรียมอาหารมาถวายท่านบางทีก็ไปบังคับก็าเลยนะให้เตรียมอาหารมาถวายพุทธเจ้าตัวเองเนี่ยถึงกับลงมือนะปรุงอาหารเองเลยพุทธเจ้าทราบนะเมื่อรองทราบพวกก็รู้ว่าไม่ถูกต้อง นะไปไปเกณฑ์คนไปบังคับให้มาถวายอาหารพระองค์พวกก็เลยเดินผ่านไม่ได้คข้รับอาหารจากจากสพธธุพระสุภัทธะพระสุภัทธะก็ก็โกรธนะโกรธเลยนะนะที่พระองค์เดินผ่านก็เพราะเห็นว่าสิ่งที่พระสุพัธธทธะทาไม่ถูกต้องแต่พระสุพัทธะนี่มองไม่เห็นโทษของตัวเองนะโกรธแค้นพระเจ้า พอวันหนึ่งได้ข่าวพระเจ้าปริิธานนะก็ะดีใจเลยนะบอกกับพระมากัะส ป, ปะว่าเนี่ยกับพระที่รู้ข่าวนี้ซึ่งกำลังเศร้าโศกเสียใจว่าเศร้าสเส้เส้ใจไปทําไมตอนนี้นะพระเจ้าเนี่ยไม่อยู่แล้วตอนที่พระองค์อยู่นี่นะพวกเราเดือดร้อนกันมากเพราะพระองค์คอยห้ามโน่นห้ามนี่ตอนนี้พระองค์ไม่อยู่แล้ ว, รออนะวเร า, เ ม, า, ออามีอิสระแล้วจะเสียใจไปทําไม อันนี้เป็นความคิดที่เกิดจากความรู้สึกแค้นพระองค์อันนี้แหละคือที่มาที่ทําให้พระมหากัสสปะเนี่ยเห็นความสําคัญของการสังเกนานะจึงมีสังเกตนาสามเดือนหลังจากพุทธปรินิพานซึ่งในแง่หนึ่งก็ต้องขอบคุณนะพระสุภัทธาเนี่ยเพราะถ้าถ้าไม่พูดแบบนี้นี่พระมหากัสสปะก็ไม่มีความคิดนะว่าจะให้มีการสังเกตนาอันในแง่นี้ก็ต้องขอบคุณนะพระสุภัทธา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 ไปยึดถือเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นการชักนําให้เราเนี่ยทําผิดได้หลวงพ่อเฟื่องนะโชติโกเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงปู่มั่ น, เ, นเคยกล่าวไว้ถึงความเห็นของเราจะถูกนะแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดแต่ถ้าเรายึดเข้าไว้มันก็ผิดนะที่อย่างนี้พูะเจ้าก็ตัสเป็นานมาแล้วนะว่าเนี่ยทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่น พระองค์เปรียบว่าธรรมพระองค์เนี่ยเหมือนกับแพรนะที่พาพาเราเข้าถึงฝั่งพอถึงฝั่งแล้วเนี่ยคนฉลาดเขก็เดินขึ้นฝั่งเลยนะแต่คนโง่นี่ก็ยังแบกแพรขึ้นฝั่งแล้วพระองค์ก็เลยอุปมาว่าเนี่ยธรรมพระองค์เนี่ยเหมือนกับแพรที่พาขึ้นฝั่งไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นนับภาษาอะไรกับอัธรรมนะอัตธรรมยังไม่ต้องพูดถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเวลาเรานับถือหรือศรัทธา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 คนธรรมดาก็ต้องมีตัวกูนะพอเจอเหตุการณ์แบนี้ก็าจะโกรธแต่ก็ให้มีสติเอาไว้พอถ้าไม่มีสติในความโกรธเนี่ยเดือมน้่งตัวกูมก็จะทำให้เราเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเขาทำไม่ถูกเราก็ต้องแก้เราก็ต้องทวงติงแต่ถ้าเราไม่ระวังตัวเรานั่นแหละนะที่จะกลายเป็นคนทำไม่ถูกซะเองและเป็นความไม่ถูกที่มันยิ่งกว่าที่คนอื่นทำซะอีก อ่าชานี้ก็พูดกันเทนี้นะกราบพระ